เรื่องราวของลิลาวดีเป็นเรื่องราวเพื่อที่จะสื่อหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ให้น่าสนใจและชุนฝังยิ่งขึ้นเป็นนิยายอิงธรรมะที่แฝงด้วยศัจธรรมอันลัมค่าจากจินตนาการของท่านผู้ใช้นามปากาว่าธรรมโครธรรมะเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งฟังยากเข้าใจยากและปฏิบัติยากคนจึงไม่ค่อยสนใจธรรมะ การเผยแพร่ธรรมะเท่าที่ทำอยู่ในปัจจุบันโดยมากมุ่งรักษาประเพณีมากกว่าที่จะให้คนเข้าใจเรื่องของคุณธรรมจึงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเรื่องราวของเลยาวดีจะนำพาให้ท่านเข้าใจแก่นของพุทธธรรมได้ง่ายขึ้นและจะพาให้ท่านทราบซึ้งถึงหลักธรรมที่จะช่วยให้ชีวิตพบกับความสงบร่มเย็นเป็นสุข หวังว่าเรื่องราวของลีลาวดีที่ท่านจะได้ฟังดังต่อไปนี้จะสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ฟังดังที่ได้เคยอ่านเรื่องราวของลีลาวดีมาก่อนและก็มีผู้กล่าวขวัญถึงวรรณกรรมเรื่องนี้กันมากเรื่องราวของลีลาวดีจะเข้มข้นชวนติดตามเพียงใดก็ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้ณบันะนี้ ไกลจากขุนเขาฮิมาลัยลงไปทางทิศใต้ในดินแดนแห่งพรตะตอนเหนือมีนครหนึ่งนามว่าโครกขปุละจากนครนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางรถไฟสายในปันกันไปเป็นระยะทางประมาณหกโยชนนักจาริกแสวงบุญจะถึงฝั่งแม่น้ำรับดีนาทีซึ่งในอดีตสมัยนานมาแล้ว เคยมีชื่อว่าอจิราวดีอันเป็นหนึ่งในห้ามหานาทีที่เคยให้ความชุ่มชื้นแก่มัธยมประเทศบนฝั่งใต้ของแม่น้ำนี้เองซากปรักหักพังแห่งพระนครสาวัตถีราชธานีแห่งโกศลชนบทอันเกลียงไกลในอดีตได้ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีจากอัสดงคตประเทศในสมัยนั้น เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีเศษมาแล้วพระนครสาวัตถีรุ่งเรืองมากนอกจากกรุงราชคลึนครหลวงมคตชนบทแล้วก็ไม่มีนครใดในมัธยมประเทศจะเท่าเทียมสาวัตถีตั้งแต่เชิงเขาหิมวันตบันพศไปจนจดฝั่งแม่น้ำคงคาสาวัตถีเป็นเอกพราณนีสาเกตกาบินพัท และนคร อ, อื่นๆอีกล้วนอยู่ในขอบเขตขันตสีมาของสาวสถีเป็นบริวารของสาวัถีเช่นเดียวกับมวลดาราในท้องฟ้าเป็นบริวารของดวงจันฉะนั้นนารุงสาวัถีนี่แลสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่เป็นเวลากว่ายี่สิบพรรษานานกว่าที่ใดๆทั้งหมดพระองค์ ได้ทรงอาศัยกรุงสาวัตถีเป็นที่ประกาศทางแห่งความสุขอันประเสริฐแก่เวในยานิกรนับจำนวนไม่ถ้วนชาวสาวัตถีจำนวนมากที่ดาเนินตามทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนได้เข้าถึงสุขติแล้วบัดนี้พระนครสาวัตถีได้กลายเป็นนครแห่งอดีตไปเสียแล้วปราศาสตรราชบุเทียนซุ้มประตู เรือนยอดและเทวไลซึ่งเคยเสียบยอดระดับฟ้าได้กลับกลายเป็นกองอิฐกองดินอันหาสาระมิได้สาวสถีที่เคยอึกระทึกกึกก้องด้วยเสียงทั้งหกและพลุกพล่านด้วยเศรษฐีคฤหาบดีสมณะพระมนาจารย์และพ่อค้าประชาชนทุกวันนะ้ได้กลับกลายเป็นลาวป่าอันเงียบเหงา เป็นที่สิงสถิตของปีศาจและสัตว์ป่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปนี่คือยอดคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรุงสาวสถีได้เกิดขึ้นแล้วและดับไปแล้วตามสภาพของสังขารแต่ในอดีตการสาวสถีเป็นบ่อกเกิดแห่งนิยายทุกประเภทจะนํามาบรรยายแต่บางเรื่องเพื่อความรู้แก่ผู้ใกล้ความรู้เพื่อความบันเทิงแก่ผู้ใกล้ความบันเทิงดังที่ท่านจะได้ฟังเรื่องราวของลีลาวดี ซึ่งข้าพเจ้าจะได้เล่าให้ท่านฟังณบัดนี้ น้อยแห่งหมู่บ้านคนจังทานใกล้กรุงสาวัตถีบุตรของชายผู้มีอาชีพตัดฟืนขายชีวิตของครอบครัวยากจนมากเมื่อเรวัตะอายุได้ส5บห้าขวบพ่อก็ได้ส่งตัวให้ไปเป็นคนรับใช้ในครือขาดของสุมังคระครือาบอดีในกรุงสาวัตถีเรวตะจำใจต้องจากบ้านไปเพราะเห็นแก่พ่อแม่ชีวิตใหม่ ในบ้านของครฤหาบดีเรวัตะได้รับความกรุณาจากสุังคระเศรษฐีเป็นอย่างดีเขาได้เรียนได้ทํางานรับใช้ครฤหาบดีด้วยความเสียเหี่ยมเกียมตัวและขยันขันแข็งจนคฤหาบดีมีความรักและเมตตาประดุดบุตรชายของท่านครฤหาบดีเองท่านคฤหาบดีเป็นพ่อค้าคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี ท่านพาเกวียนห้าร้อยเล่มบรรทุกสินค้าไปเที่ยวขายตามขามนิคมนครในชนบทต่างๆเกือบจบด้าวแดนชมพูทวีปกว่าจะกลับถึงกรุงสาวัตถีแต่ละครั้งก็กินเวลาเป็นเดือนๆือนท่านคลืหาบดีมีลูกชายคนหนึ่งชื่อชัยยเสนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเรวัตตะและรักใคร่ชอบพอกับเรวัตตะมาก มีลูกสาวคนหัวปีชื่อกัล น, นิกาและลูกสาวคนสุดท้องชื่อดีลาวดีทั้งสองคนนี้ท่านครืหาบดีให้อยู่บนปราศาสตชั้นสูงสุดมีนางทาสีปฏิบัติบำรุงเป็นประจำในคราวมีงานนักขัดตะลิกครั้งใหญ่ๆเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ลงมาลื่นเริงแต่เวลาท่านครืหาบดีไม่อยู่เธอทั้งสองก็ลงมาข้างล่างเสมอ เพราะนางครืหาปั ต, ตนีผู้เป็นมารดาไม่เกรงในประเพณีเดิมเหมือนกับท่านครืหาบดีผู้เป็นบิดาเรวตะหนุ่มน้อยจันทานแม้จะได้รับความเมตตารักใคร่จากครืหาบดีก็จริงแต่ในช่วงที่ท่านครืหาบดีไม่อยู่เขาจะได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากภรรยาของครืหาบดีและลูกสาวคนโตที่ชื่อกัล น, นิกามาโดยตลอด เรวัตตทราบดีว่าท่าทีที่เป็นศัตรูของนายหญิงมาจากความเป็นจันทันของเขานั่นเองไม่ใช่เพราะความบกพร่องในการงานหรือมารยาทเรื่องนี้ไม่มีทางแก้ไขนอกจากจะตายแล้วไปเกิดใหม่ในวันนาราห ม, มิฉะนั้นก็หนีไปเสียจากบ้านนี้เรวัตตถูกริดลอนสิทธิต่างๆที่เคยได้รับและถูกบังคับให้ทางานหนัก แถมยังถูกดุดา่าด้วยถ้อยคำห ย, ยาบๆใคยๆเวลาที่ท่านครือา บ, บดีกลับมาทุกคนก็ทําดีกับเขาแต่พอท่านครือฮา บ, บดีไม่อยู่ความโหดร้ายทารุณก็กลับมาเหมือนเดิมเขาต้องทํางานหนักได้ได้อาหารเพียงข้าวปลายเกวียนและน้ําผักดองเท่านั้นแม้ว่าเลวะตะจะถูกกั่นแกล้งและเป็นที่รังเกียจของนางพรามณี และลูกสาวคนโตเพียงใดแต่เรวัตะก็ยังแอบได้รับความเมตตาจากลีลาวดีลูกสาวคนเล็กอยู่เสมอระยะแรกเธอก็ไม่ได้แสดงตัวว่าคอยช่วยเหลือส่งอาหารและเสื้อผ้ามาให้เรวตะบอกแต่เพียงว่าเป็นผู้หวังดีส่งมาให้จนในที่สุดลีลาวดีก็แสดงตัวว่าเป็นผู้หวังดี และขอยช่วยเหลือเลวตะตลอดมาทำให้เลวตะะซาบซึ้งและประทับใจมากที่ลีลาวดีไม่รลังเกียบในความเป็นจันทานของเขามีอยู่วันหนึ่งขณะที่เลวตะกำลังนั่งเพลินอยู่นั้นเองลีลาวดีได้มาหาเขา ในลักษณะเดิมอีกคราวนี้เรวตะไม่ตื่นเต้นตกใจเหมือนคราวก่อนมีแต่ความยินดีปรีดาและปรารถนาจะสนทนาปลาใสกับเธอให้มากที่สุดเขากล่าวว่าลีลาวดีข้าพเจ้าใคร่จะถามปัญหากับท่านสักข้อหนึ่งขอท่านได้โปรดตอบข้าพเจ้าด้วยความจริงใจด้วยเหตุชไหน ท่านผู้เป็นวรรณาพราหมณ์สูงส่งจึงยอมลดเกียิลงมาหาข้าพเจ้าท่านไม่รังเกียจข้าพเจ้าดอกหรือหญิงสาวมองดูเขาด้วยความสงสารแล้วตอบว่าเธอไม่ควรจะมีความสงสัยใดๆอีกต่อไปเพราะการที่ฉันมาคบหาสมาคมกับเธอเช่นนี้ก็แสดงว่าฉันไม่รังเกียจเธอถ้าฉันรังเกียจฉันก็คงไม่มาหาเธอแน่ คำตอบของดิราวดีทำให้เด็กหนุ่มต้องนั่งนิ่งและใช้ความคิดอย่างหนักประหลาดมากเรวตะอุทานด้วยความประหลาดใจดิลาวดีท่านเป็นวรรณะพราหมณ์อันประหลาดมากขณะที่คนวันนะเดียวกันกันกบท่านทั่วทั้งปัตตพีดลมีแต่ความรังเกียจข้าพเจ้ายังอยากจะถามท่านอีกว่าเหตุใดท่านจึงไม่รังเกียจข้าพเจ้า ลีลวดีตอบว่าเรวตะฉันมองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทําไมจึงควรลังเกียดเธอหรือคนจันทานทั่วไปคนเหล่านั้นถึงจะสมมุติให้ต่างกันโดยวันนะโดยชาติโดยสกุลก็ตามความเป็นจริงแล้วก็คือคนเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันต่างรักชีวิตไม่คิดอยากตาย ปรารถนาความสุขสบายเกลียดหน่ายต่อความทุกข์เช่นกันคนจะดีหรือชั่วสูงหรือต่ำไม่อยู่ที่ชาติชั้นวันณนะแต่อยู่ที่การกระทําของแต่ละบุคคลนั่นเองคนวันละสูงแต่ทําชั่วก็ชื่อว่าต่ำคนวรรณะต่ำแต่ทําความดีก็ย่อมชื่อว่าสูงรัตนชาติมีแก้วไผ่ทูลเป็นต้นแม้ตกอยู่ในเปลือกตม ก็ย่อมเป็นของดีใครๆก็ปรารถนาซากศพแม้จะบรรจุไว้ในโรงทองตั้งตารางานไว้บนแท่นอันงามวิจิตรก็ยังเป็นของเนา่าใครๆไม่ปรารถนาฉันคิดดังนี้จึงไม่ลังเกียรเธอเรวตะกล่าวว่าลีลาวดีเอ๋ยค้อยคำของท่านช่างไพเลาะเสียนีกย่กะไรตลอดเวลาของข้าพเจ้า ยังไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้เลยเคยได้ยินแต่ถ้อยคำว่าเจ้าคนเดนมนุษย์เจ้าคนไม่มีวันนะเจ้าคนมีค่าต่ากว่าดิระชนันข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์กับเขาคิดว่าตัวเองเป็นเช่นกับตัวอั ป, ปมงคลที่เข้าบ้านใดก็ต้องถูกขับใสไล่ส่งข้าพเจ้าเพิ่งจะทราบคุณค่าของตัวเองวันนี้ดีละวดีเอย ท่านเป็นเทพเจ้าผู้อวตารลงมาช่วยข้าพเจ้าอย่างแท้จริงเด็กหนุ่มกล่าวประโยคสุดท้ายด้วยเสียงอันสั่นเครือเขาหมอบลงแทบเท้าของหญิงสาวด้วยความเลื่อมใสศรัทธาด้วยจริงใจลีลาวดีบอกให้เขาลุกขึ้นนั่งตามเดิมแล้วกล่าวว่าคนเหล่านะเลวตะมักจะไปมัวเมาหลงไหลอ ย, อยู่กับแผ่นป้าย ที่เขาแขวนไว้ที่คอจนลืมสภาพอันแท้จริงของตนไปถ้าคนปลดป้ายออกจากคอและคบหาสมาคมกันตามสภาพที่แท้จริงรอยเล้าแห่งระหว่างชาติอารยะจะไม่มีความสงบสุขจะปกคลุมทั่วชมพูทวีปเอาเถอะถึงคนอื่นเขาจะไม่ยอมปลดป้ายออกก็ตามขอให้เราทั้งสองจงปลดออกและเป็นมิตรที่ดีกันต่อไป ทั้งสองนั่งสนทนากันอยู่จนดึกลีลาวดีจึงกลับสู่ปราสาททิ้งเรวตะไว้เดียวดายสภาพของสวนรอบรอบกระท่อมน้อยสงบเงียบแต่จิตใจของเรวตะกลับคลึกคลื้นรื่นเริงบัดนี้เขาทราบแล้วว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันลีลาวดีให้คำรับรองแก่เขาเช่นนั้นเด็กหนุ่มมีหน้าตาแจ่มใสขึ้น ทำงานสวนได้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขาจะเหน็ดเหนื่อยได้อย่างไรในเมื่อมีลูกสาวของท่านครือหาบดีคอยให้กำลังใจหนุนหลังอยู่ดีล ว, วดีแอบลงมาหาเขาทุกคืนเธอกล่าวเสมอว่าเรวัตะทถึงจะไม่มีชาติชั้นวันนะระหว่างเราก็จริงแต่คนอื่นๆเขายังมีอยู่เรายังจำต้องอาศัยคนอื่นเพราะฉะนั้น ขอให้เราเป็นมิตรกันเฉพาะยามราตรีไปก่อนนะตอนกลางวันเราจะต้องเป็นศัตรูกันเพื่อเอาใจคนอื่นและเพื่อความปลอดภัยของเราเองเรวตะตอบว่าข้อนี้ข้าพเจ้าทราบดีแล้วท่านไม่ต้องวิตกข้าพเจ้าจะพยายามแสดงละครให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนกลางวันเมื่อพบกับเรวตะโดยบังเอิญลีลาวดี จะยกผ้าขึ้นปิดปากและจมูกทำหน้าแสดงความรังเกยียจเพื่อให้นางพรามณีและกัณิกาเห็นว่าเธอรังเกยียจจริงๆแต่ในเวลากลางคืนเมื่อคนในปราศาสเริ่มพักผ่อนนอนหลับเธอจะบอกนางทาสีคนสนิทให้คอยดูต้นทางไว้และตนเองก็แอบไปพบเรวัตตะซึ่งนั่งคอยอยู่ริมสะโกมุดย่างข้าปัจฉิมยาม จึงกลับขึ้นปราสาททำเช่นนี้เสมอมามิได้ขาดจนในที่สุดจากความใกล้ชิดสนิทสนมและความเห็นอกเห็นใจกันก็กลายเป็นความรักอันดูดดื่มขึ้นทั้งสองแอบพบกันบ่อยครั้งจนในที่สุดนางพรามณีผู้เป็นแม่และพี่สาวก็รู้เรื่องการติดต่อพบปะของเรวตะกับดิลวดีและรู้ว่าทั้งสอง มีความรักกันนางพระมณีผู้เป็นแม่โกรธมากถึงกับจับลีลาวดีผูกแล้วเคียนอย่างไร้เมตตาหาว่าเป็นผู้ทำลายวงตระกูลที่ไปติดต่อและรักกับคนจันทาน วัตตะทราบเรื่องและได้ยินเสียงที่ดีลาวดีถูกเคี่ยนตีเขาเสะเทือนใจมากจึงคิดที่จะหนีจากไปแต่ก่อนจากไปเขาก็ได้เขียนจดหมายลาไว้ฝากไว้กับนางทาสีคนสนิทไว้ให้ดีลาวดีบอกถึงการหนีครั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ดีลาวดีต้องเดือดร้อนถูกเคี่ยนตีอีก จดหมายฉบับนั้นมีข้อความว่าลีลาวดีข้าพเจ้าทราบตลอดแล้วในวันนี้ว่าความทุกข์ของท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าได้พิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วเห็นว่าความทุกข์นั้นมีข้าพเจ้าคนเดียวเป็นต้นเหตุถ้าข้าพเจ้ามิได้อยู่ที่นี่ท่านก็คงจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางวงญาติเช่นเดิมเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าขอลาท่านกลับสู่บ้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นจันทานไม่สมควรที่จะอยู่ร่วมโรคกับท่านผู้เป็นพรามถ้าอยู่ไปก็จะมีแต่จะนำความทุกข์มาสู่ท่านจึงขอลาไปอยู่ท่ามกลางจันทานด้วยกันข้าพเจ้ายังคิดถึงท่านและจะคิดถึงไปจนตลอดชีวิตขอให้ลีลาวดีจงสุขสำราญ อยู่ท้ำกลางคณะญาติเหมือนเดิมลาก่อนจากเครวัตตะ กฎหมายฉบับนั้นไปมอบให้หนางทาสีไว้สั่งกําชับให้เธอมอบให้แก่ดิลาวดีในโอกาสอันสมควรแล้วกลับสู่กระท่อมเด็กหนุ่มรวบรวมสมบัติเล็กๆน้อยๆของเขาแล้วเอาผ้าห่อเข้าเป็นห่อใหญ่ส่วนมากก็มีเสื้อผ้าที่ดิราวดีให้เขานั่นเองเขาเอาห่อผ้ามาอุ้มเอาไว้แล้วรีบออกจากกระท่อม ไปยืนอยู่ข้างล่างหันกลับมามองดูกระท่อมแล้วกล่าวเบาๆว่าลาก่อนกระท่อมที่เคยให้ความสุขแก่ฉันเขารีบเดินตรงไปยังฝั่งสะที่เคยเป็นจุดที่เขาได้พบกับลีลาวดีเมื่อครั้งแรกยืนอยู่ที่นั่นครู่หนึ่งแล้วรีบเดินแอบแฝงความมืดออกสู่ถนนใหญ่เดินบ้างวิ่งบ้าง จนกระทั่งถึงประตูเมืองด้านทิศอูดอขณะนั้นนายทวานกำลังปิดประตูพอดีแต่เรวัตะได้อาศัยความเร็วเล็ดลอดออกไปได้เขารู้สึกโล่งอกเมื่อได้สูดบรรยากาศอันสดชื่นภายนอกกำแพงเมืองตั้งแต่นี้ไปเขาหวังที่จะคืนไปสู่อ้อมอกอันอบอุ่นของมารดาบิดาดั่งเดิม เบวตะออกจากเมืองสาวัตถีเข้าสู่หมู่บ้านคนจันทานเดินทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อกลับไปหาบิดามารดาพอไปถึงบ้านเก่าก็ไม่พบมารดาบิดาทราบจากคนที่มาอยู่แทนว่ามารดาบิดาย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าไปอยู่ที่เมืองใดบอกแต่เพียงว่าขึ้นไปทางเหนือแถบเชิงเขาหิมาลัย เรวัตะเศร้าโศกเสียใจมากที่ไม่ได้พบพ่อแม่เขาออกเดินทางต่อบุก ป, ป่าฝ่าดงเพื่อจะหาพ่อแม่ให้พบเรวัตะเดินทางด้วยความเหน็ดเหนื่อยและหิวกระหายจนไปพบชายคนหนึ่งที่หมู่บ้านกาฤทธกะคมทั้งสองเกิดถูกอธัธยาศัยกันเรวตะจึงได้ติดตามชายผู้นั้นเดินทางเข้าป่าต่อไปมารู้ตัวอีกทีหนึง่ง ก็ปรากฏว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในชุมโจรใหญ่มีหัวหน้าชื่อเชตกะเป็นชายร่างใหญ่หน้าตาน่ากลัวส่วนชายที่พาเข้าไปก็เป็นโจรชื่อกริตะเรวตะตั้งใจจะเดินทางไปหาพ่อแม่อย่างเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนในที่สุดก็ต้องอาศัยอยู่กับกริตะในชุมโจร น, นั่นเอง หัวหน้าโจนได้พร่ำสอนศิลปะวิทยาการสู้รบการใช้อาวุธกับเลวตะตลอดจนสั่งสอนให้มีจิตใจโหดเงียมเยี่ยงโจนทั้งหลายบางทีเขาต้องติดตามหัวหน้าโจนและฝูงโจนทั้งหลายเดินทางไปป้นสะดมหมู่บ้านและเมืองเล็กที่อยู่ห่างไกลต้องผเผชิญกับการต่อสู้และภัยอันตรายต่างๆแทบเอาชีวิตไม่รอดยิ่งผ่านพบความลาบาก และภัยอันตรายมากเพียงใดจิตใจของเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งประดุดเหล็กที่ได้รับการชุบบ่อยๆเพียงนั้นเรวตะได้กลายเป็นโจรไปแล้วอย่างสมบูรณ์เป็นโจรหนุ่มผู้ห้าวหาญและเป็นที่โปรดปรานของหัวหน้าโจรยิ่งนัก เรวัตใช้ชีวิตโจรอย่างสนุกสนานเป็นเวลานานถึงสามปีเต็มเขาลืมเรื่องอื่นๆหมดลืมแม้การติดตามหาพ่อแม่พอย่างเข้าปีที่สี่วิถีชีวิตของเขาก็เริ่มสู่แนวใหม่อีกวันหนึ่งการปล้นสะดมครั้งสำคัญก็ได้เกิดขึ้นอีกเป็นการปล้นพ่อค้าเกวียนที่มีกำลังมากและจัดเกนการรบกว่าแต่โจรใช้อุบายในการปล้น โดยเลวตะเป็นผู้ออกกุบายในที่สุดกาต้นก็ประสบผลสำเร็จนายโจรจับหัวหน้าพ่อค้าเกวียนและได้ยึดเอาทรัพย์สมบัติจากเกวียนได้ทั้งหมดเย็นวันรุ่งขึ้น พวกโจรก็จัดให้มีการเลี้ยงฉลองกันเป็นการใหญ่และจะมีพิธีสังเว์เจ้าแม่กาลีด้วยโลหิต จ, จากลำคอของหัวหน้าพ่อค้าตามคำบนบานของหัวหน้าโจรที่บนไว้ก่อนออกร้นอีกด้วย หน้าพ่อค้าได้ถูกนําตัวมาสู่ที่ชุมนุมรูปเจ้าแม่กาลีปางกระหายเลือดกําลังยืนแยกเขี้ยวอยู่บนแท่นด้วยท่าทางที่กําลังพิโรธเต็มที่รอบแท่นของเจ้าแม่ผู้มีกะโหลกศรีรษะมนุษย์เป็นสังวานเต็มไปด้วยเครื่องสังเวยนานาชนิดกองเพลิงที่โจรก่อไวข้ข้างๆแท่นกําลังลุกโผล่เช่นเดียวกับในตาของเจ้าแม่ที่เกือบจะถลนออกมานอกเบ้า วันหน้าพ่อค้าผู้เคาะร้ายกำลังนั่งคอตกอยู่ข้างๆโจรกำยำสองคนที่ควบคุมเข้ามาใบหน้าของเขาเศร้าส้อยหม่นหมองแสดงความหมดหวังในชีวิตเขารู้ตัวดีว่าเขาจะต้องถูกจับเชือดคอให้โลหิตพุ่งเข้าสู่โอดของเจ้าแม่ที่กระหายเลือดแม้จะยังมีชีวิตอยู่เขาก็รู้สึกคล้ายกับตายไปแล้วเมื่อได้เห็นกริยาอาการ หัวหน้าพ่อค้าแล้วโจรหลายคนแม้จะใจดําอมหิทเพียงใดก็อดที่จะสงสารไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งเรวตะสมุนคนโปรดของหัวหน้าโจรรู้สึกสนใจในตัวหัวหน้าพ่อค้าเป็นพิเศษเขาจ้องจับตาดูกิริยาอาการของหัวหน้าพ่อค้าอย่างจริงจังเพราะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างบังคับให้เขาทําเช่นนั้น เนยเหลวได้ถูกราดลดไปในกองไฟทําให้เปลวไฟลุกโชนช่วงขึ้นกว่าเกา่าเป็นโอกาสให้เรวัตต์เห็นหน้าเฉลยผู้เคอะร้ายได้ถนัดขึ้นเขาเริ่มกระวนกระวายใจเขาดูเหมือนว่าเขาเคยเห็นหน้าของพ่อค้าคนนั้นมาก่อนเขาขยับเข้าไปใกล้หัวหน้าพ่อค้าแล้วเพ่งดูอย่างพินิจพิเคราะห์ยิ่งขึ้นในที่สุดความทรงจําแต่หัวหลัง ก็ปรากฏขึ้นแก่เขาเขาจำได้อย่างแน่นอนว่าเฉลยของเขาม่ใช่ใครอื่นหากแต่เป็นท่านตุมังคระขริหาบดีแห่งกรุงสาวัตถีที่เขาเคยไปอาศัยอยู่นั่นเองเมื่อแน่ใจว่าเป็นขริหาบดี เรวัตเกือบจะเผลอตัวคลานเข้าไปกราบลงแทบเท้าของท่านเพื่อขอโทษเขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึง้งในการกระทําที่แล้วมาของเขาเพราะเขามีส่วนวางแผนการต้นท่านเครือหบอดีผู้มีพระคุณแก่เขานั่นเองโจรผู้ประกอบพิธีบูชาเจ้าแม่เลือเดเลือด จ, จากลำคอของหัวหน้าพ่อค้าได้มาถึงแล้วอีกไม่ช้า ท่านคฤหะบดีก็จะถูกจับเชือดคอเรวัตคิดการอย่างหนักในการที่จะช่วยท่านคลุหะบดีให้พ้นจากมรณภัยเขาไม่สามารถจะทนดูผู้มีพระคุณต่อเขาถูกฆ่าอย่างทารุนต่อหน้าต่อ ต, อตาได้เขาตัดสินใจที่จะช่วยท่านแม้ตัวจะตายก็ยอมขณะโจรผู้ประกอบพิธีกำลังถือดาบอันคมกริบ เดินเข้าไปหาท่านเครือหาบดีนั่นเองเขาได้ลุกขึ้นทำความเคารพต่อหัวหน้าโจรแล้วประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าถ้าแต่หัวหน้าโจรพูดเจริญข้าพะเจ้าขอวิงวอนให้ท่านโปรดสั่งระงับพิธีกรรมหนีไว้ชั่วคราวก่อนขณะนั้นโจรทั้งหมดได้เงียบเสียงลงทันทีทุกคนหันมามองเรวัตตเป็นตาเดียว ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะทนดูหัวหน้าพ่อค้าถูกจับเชือดคอต่อหน้าต่อตาได้ด้วยว่าหัวหน้าพ่อค้าคนนี้ก็คือท่านสุมังคระคฤือหบดีแห่งกรุงสาวัตถีผู้เคยมีพระคุณอย่างสูงแก่ข้าพเจ้าโจรทุกคนเงียบกริบต่างตะลึงตะไลต่อเหตุการณ์อันปัจจุบันทันด่วนนี้หัวหน้าพ่อค้าเหนืยหน้ามองเฤๅตะ ตาเป็นประกายอันแสดงความตื่นเต้นดีใจพลางพังปากเรียกชื่อเรวัตะถึงสามครั้งอย่างตื่นเต้นเรวตะกล่าวต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านว่าถ้าท่านไม่สามารถระงับพิธีการนี้ได้ก็ขอโปรดฆ่าข้าพเจ้าบูชาเจ้าแม่แทนท่านเครือหาบดีด้วยข้าพเจ้ายินดีสละชีวิตเพื่อท่านผู้มีพระคุณ น, นี้ เรวตะกล่าวเท่านั้นแล้วก็หยุดยืนนิ่งอยู่ความเงียบเชียบปกคลุมไปทั่วบริเวณในที่สุดหัวหน้าโจรจึงได้กล่าวทำลายความเงียบขึ้นเรวัตตะเจ้าจะมาทำลายพิธีสำคัญของเราเสียแล้วแต่เอาเถอะ เรื่องของเจ้าก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจอยู่เพื่อเห็นแก่เจ้าเราจะระงับพิธีการนี้ไว้ก่อนเจ้าเป็นคนรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเราก็รู้จักบุญคุณของเจ้าเหมือนกันเพราเจ้าก็ได้ช่วยเหลือเรามามากเราจะอภาภัยแก่เจ้าครั้งหนึ่งทั้งแก่หัวหน้าพ่อค้าคนนั้นด้วยเขากล่าวทางขีเมือไปทางท่านครหาบดีเกรวัตตกล่าวขึ้นอย่างนอบน้อมว่า เป็นพระคุณอย่างสูงสําหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอจารึกความกรุณาของท่านไว้ในส่วนลึกของหัวใจจะขอจําไว้อย่างไม่มีวันลืมหัวหน้าโจรได้สั่งให้ปลดปล่อยท่านคฤือหบดีออกจากเครื่องพันธนาการพอเป็นอิสระท่านก็ตรงเข้าไปสวนกอดเรวัตะด้วยความดีใจพลางกล่าวออกมาอย่างตื้นตันใจว่าเรวัตะเอย ไม่นึกเลยว่าจะได้พบเจ้าในกลางดงกลางป่าเชน่นนี้ถ้าไม่พบเจ้าป่านี้พ่อไม่เป็นศพไปแล้วหรือเจ้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่และมาได้อย่างไรกันทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายกับปาฏิหาริย์เหลือกเกินพ่อกุนงงต่อเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเจ้าช่วยให้ความเข้าใจแก่พ่อด้วยหรือหากทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงความฝันเท่านั้นเผลวตาของพ่อ เรวัตประกองท่านครือหบดีให้นั่งลงแล้วกราบลงแทบเท้าของท่านเขาได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเขาตั้งแต่แรกให้ท่านครือหบดีฟังเริ่มตั้งแต่กลุ่มสาวัถี มาเป็นโจรอยู่ในป่าเมื่อเล่าถึงเรื่องราวในอดีตจิตใจของเขาก็หวนคิดถึงลีลาวดีซึ่งเขาได้ลืมไปแล้วเป็นเวลานานเรวตตยังคงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่บอกแกท่านคริหะบดีทั้งการที่เขาถูกนงางคริหปะปตานีและกันนิกาเบียดเบียนเขาก็มิได้เอ่ยถึงเลยเขาบอกว่า เหตุที่หนีจากสาวัถีมาก็เพื่อติดตามหาบิดาเท่านั้นเองเรวตะเอ๋ยพ่อยินดีให้อภัยทุกอย่างในการกระทาของเจ้ากลับไปอยู่กับพ่ออีกเถอะพ่อจะยกทรัพย์สมบัติและความสุขให้แก่เจ้าอย่างเพียงพอเจ้าจะมีความสุขยิ่งกว่าเป็นโจรปล้นสะดมเขาเลี้ยงชีพอยู่ในป่าเช่นนี้เรวตะกล่าวตอบว่า ข้าพเจ้าไปอยู่กับท่านไม่ได้หรอกข้าพเจ้าเป็นคนชั่วไปเสียแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้สกกระปบกทั้งกายและใจไม่สมควรจะไปอยู่ร่วมสังคมกับผู้ดีอย่างท่านข้าพเจ้าเป็นโจรก้นคนมามากต่อมากแล้วความผิดของข้าพเจ้าหนักมากแม้แต่การประหารชีวิตก็ยังเบาเกินไปสําหรับโทษของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ากลับไปอยู่กรุงสาวัตถีกับท่านอีกข้าพเจ้าก็จะถูกราชบุรุษ จับไปลงโทษแล้วความเดือดร้อนก็จะตกอยู่แก่ท่านเองข้าพเจ้าชั่วก็ขอก้มหน้าดำเนินตามทางชั่วของข้าพเจ้าต่อไปท่านเครือหาบดีพยายามวิงวอนจะให้เรวัตกลับไปอยู่ด้วยท่านรับรองว่า จะทูลขอพระราชทานอภัยโทษจากพระเจ้าปเสนที่โกศลให้แก่เขาไม่ให้เขาต้องรับโทษทันประการใดแต่เรวตะไม่ยอมฝ่ายเดียวโดยจิตใจจริงๆของเขาก็อยากจะทิ้งอาชีพโจรเหมือนกันแต่เขาไม่ปรารถนาจะไปดูหน้านางครือหาปตนีและกันนิกาอีกเขาเกือบจะบอกความจริงเรื่องนี้แก่ท่านคฤหบดีแล้วแต่ก็ยับยั้งไว ขณะที่นายกับบ่าวกำลังสนทนากันพวกโจรก็ร่ำสุราร้องรำทำเพลงฉลองชัยชนะกันต่อไปจนกระทั่งเมาไม้นอนหลับเกลื่อนกลาดเต็มไปทั่วบริเวณก่อนจะเลิกกลับสู่กระท่อมหัวหน้าโจรกับสมุนคนสำคัญได้ปรึกษาหาลือวางทันบนแกเรวตะไว้ว่าวันรุ่งขึ้น เบวตะจะต้องไปหาคนอื่นมาให้ได้เพื่อเอามาเชือดคอแก้บนแก่เจ้าแม่กาลีแทนหัวหน้าพ่อค้าหากไม่ได้ภายในวันรุ่งขึ้นในตอนเย็นไม่เบวตะก็หัวหน้าพ่อค้าจะต้องถูกเชือดคออย่างแน่นอนเรวตะรับรองกับหัวหน้าโจรไว้ว่าจะหามาให้ได้ถ้าไม่ได้เขาก็ยอมตาย เป็นแสงทองกำลังพวยพุ่งขึ้นสู่ขอบฟ้าเบื้องบุรภอาทิตย์เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าวันใหม่กำลังย่างเข้ามาฝูงสัตว์ป่าขนาดนกต่างส่งเสียงร้องระงมไพรคลา้ายจะประกาศเตือนให้กันและกันเตรียมออกหากินขณะที่ธรรมชาติของป่าใหญ่กำลังเต็มไปด้วยความตื่นตัวและความสดชื่นในยามรุ่งอรุณ น, นั่นเอง หัวใจของท่านเครือหาบดีกลับห่อเหี่ยวเป็นทุกข์ท่านรู้สึกอ่อนเพลียทั้งกายและใจเนื่องจากนอนไม่หลับมาตลอดคืนเสียงร่ำร้องของนกดูเ่าวดังแว่วมาแต่ไกลนั้นทำให้ท่านคิดถึงบ้านคิดถึงลูกเมียซึ่งอยู่ทางกรุงสาวัตถีถ้าเขาเหล่านั้นทราบว่าท่านถูกกล้นจับมาขังไว้ในป่าเขาจะรู้สึกอย่างไร เสียงชนีร้องโหยหวนอยู่ในป่านั้นทำให้ท่านคิดถึงชัยเสนลูกชายคนเดียวของท่านตั้งแต่ถูกโจนต้นในคืนนั้นแล้วสองพ่อลูกก็ม่ได้พบกันอีกเลยไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีประการใด เมื่อตื่นขึ้นแล้วเขาก็รีบเตือมตัวออกเดินทางเพราะนายโจรได้วางทันบนแก่เขาไว้ว่าภายในวันนี้เขาจะต้องไปจับคนมาให้ได้คนหนึ่งเพื่อเอามาเชือดคอบูชายันแก่เจ้าแม่กาลีถ้าหามาไม่ได้ท่านคือฮาบอดีก็จะต้องถูกยับเชือดคอเขาตรงไปยังหนทางที่ผ่านกลางดงเพื่อดักจับคนที่ผ่านไปมา เพื่อจะได้มองเห็นแต่ไกลเขาได้ปีนขึ้นไปนั่งคอยอยู่บนต้นไม้ริมทางมองไปทางนั้นทีทางนี้ทีเพื่อแสวงหาคนเดินทางเขานั่งคอยเหยื่ออยู่ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงก็ยังไม่เห็นมีใครผ่านมาพระอาทิตย์เริ่มบ่ายคล้อยลงไปตามลําดับแต่ยังไม่เห็นมีใครผ่านมาเรวัตะเริ่มเกิดความกระวนกระวายใจ คิดไปต่างๆนานาเพราะถ้าไม่ได้คนไปแทนตัวเขาจะต้องกลับไปให้พวกโจรเชือดคอบูชาเจ้าแม่กาลีในเย็นวันนั้นเมื่อคิดถึงภาพอันสยดสยองนั้นแล้วเขาก็เกิดความหวาดหวั่นพลันพลึนยิ่งนักบางทีเขาคิดจะหนีเอาตัวรอดแต่เขาอาจจะทําได้อย่างสบายถ้าเขาทําอย่างนั้นท่านคฤหาบดีซึ่งอยู่ในมือของพวกโจร ก็จะถูกจับเชือดคอเขาไม่กล้าทรยศต่ตอท่านผู้มีพระคุณถึงป่านนั้นไม่ได้ใครเลยในวันนั้นเขาก็ต้องกลับไปตายแทนท่านตัดสินใจดังนี้แล้วก็นั่งคอยต่อไปขณะที่พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยลงจวนจะรับยอดไม้ ขณะที่ความหวังของเขาเริ่มเหือดแห้งไปนั่นเองเรวัตตะก็ได้เหลือบไปเห็นคนคนหนึ่งกำลังเดินดุ่มๆุ่มมาตามทางคนเดียวเขารู้สึกดีใจจนตัวสัน่นที่ได้พบเหยื่อสมประสงค์ค่อยๆลงจากต้นไม้ไปยืนแอบอยู่ข้างทางชักดาบคู่ชีพออกมาไว้ในมืออย่างมั่นคงเขาปล่อยให้ชายผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นเดินมาจนถึงที่ที่เขายืนอยู่ แล้วจึงร้องออกไปด้วยเสียงเฉียบขาดว่าหยุดก่อนท่านผู้เดินทางฉายคนนั้นหยุดกลบกลงทันทีหันไปมองเรวัตะซึ่งกำลังถือดาบเดินตรงมายังตนทั้งทั้งที่กำลังเผชิญหน้ากับอันตรายเช่นนี้ก็มิได้แสดงอาการว่าตกใจแต่ประการใดเขาหยุดยืนอยู่อย่างสงบสิ่งเงี่ยมตาก็จ้องมองดูเรวัตะ ในอาการป ก, กติท่านจะไปไหนหรือเรวตะถามพ่างมองดูชายคนนั้นตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าดูท่าทางเขาไม่ใช่คนธรรมดาสามัญเสียแล้วเพราะเขามีศีรษะอันโล้นห่มผ้าน้ำยอมฝาดสีคร้ำและสภายบาดบอกลักษณะว่าเป็นนักบวชในาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งเราจะไปกรุงสาวัตถี ชายในผ้าน้าย้อมฝาดตอบเป็นปกติท่านเดินทางมาในป่าคนเดียวไม่กลัวดอกหอรือเรวัตตาถามเราจะต้องกลัวอะไรล่ะชายประหลาดย้อนถามก็กลัวนี่อย่างไรล่ะเรวัตะาตอบทางยกดาบอันคมปิดขึ้นชี้หน้าสมณร้นเราไม่กลัวท่านตอบอย่างมั่นคงแปลกมาก เปรตะอุทานด้วยความประหลาดใจท่านออกจะเป็นผู้กล้าหาญเกินไปเสียแล้วท่านอย่าพูดโอหังนักเลยดาบของข้าพเจ้าไม่เคยปราณีใครนะถ้าท่านตายไปแล้วลูกเมียของท่านจะต้องลําบากอย่าลืมเราเป็นอนาคาริกระไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีลูกไม่มีเมียเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง แม้แต่ชีวิตของเราก็ไม่เป็นห่วงถ้าท่านต้องการจะฆ่าเราก็ลงมือฆ่าได้ทีเดียวคำพูดอันกล้าหาญของสมณะโลนทําให้เรวตะประหลาดใจมากเขาเคยพบเห็นคนมามากแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครกล้าหาญเช่นนี้เลยไม่ต้องรรทํามาท้าทายหรอกท่านสมณนะท่านจะต้องตายในเย็นวันนี้อย่างแน่นอนข้าพระเจ้าไม่มีเวลาคุยกับท่านมากมา ไปกับข้าพเจ้าแต่โดยดีเดี๋ยวนี้เถอะว่าแล้วเรวัตะก็บังคับให้สมณะรูปนั้นเดินไปก่อนเขาเดินตามไปข้างหลังมุ่งหน้าสู่ค่ายโจรกว่าเขาจะไปถึงค่ายก็เป็นเวลามืดสนิทขณะนั้นพวกโจรก็ได้ประชุมกันพร้อมแล้วพวกเขาเชื่อว่าเรวตะคงจะหลบหนีไปแล้วจึงกําลังเริ่มสังเวยเจ้าแม่กาลี ด้วยเลือดในคอของท่านครืหาบดีแต่ในโจรได้หน่วงเหนียวพิธีไว้เพราะเขาเชื่อมั่นว่าเรวตตจะต้องกลับมาพร้อมด้วยเฉลยของเขาและก็เป็นความจริงดังคาดเพราะเรวตตได้มาถึงในเวลาจวนแจเต็มทีทันทีที่ได้พบกันหัวหน้าโจรก็พูดขึ้นว่าเรวตตเฉลยคนใหม่ของเจ้าดูเหมือนจะไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ ดูท่าทางจะเป็นนักบวชในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นแน่เรวัตะก็ตอบว่าบอกว่าเขาเป็นอนาคาริกไม่มีบ้านเรือนไม่มีลูกเมียหัวหน้าโจรและบรรดาโจรทั้งหลายต่างมองไปยังเฉลยคนใหม่เป็น่าเดียวไม่เห็นท่านนั่งอยู่ในอาการอันสงบมีท่าทางเป็นสง่าไม่สะตกสถานต่อภัยเฉพาะหน้า ต่างรู้สึกประหลักใจอยู่ครั่ครั้นหัวหน้าโจรจึงเอ่ยถามขึ้นว่าท่านเฉลยผู้กล้าหาญคนที่โกนหัวนุ่งหม่มผ้าย้อมน้ําฝาดอย่างท่านนี้เรียกชื่ออย่างไรดูก่อนนายโจรอย่างเรานี้คนทั้งหลายเรียกกันว่าบรรพชิตบ้างสมณะบ้างภิกษุบ้างอ๋อเรียกว่าบรรพชิต สมณะหรือภิกษุหรื อ, รอคำว่าบรณพปชิตนั้นหมายความว่าอย่างไรคำว่าบรณพปชิตก็แปลว่าผู้เว้นแล้วเว้นจากอะไรละ่ะนายโจนสักก็เว้นจากการทำชั่วเว้นจากการพูดชั่วเว้นจากการคิดชั่วเหตุที่เว้นก็เพราะมาพิจารณาเห็นว่าความชั่วทำให้ตัวเองเดือดร้อน ได้ยังทําให้คนอื่นเดือดร้อนอีกใจที่คิดเรื่องชั่วก็เป็นใจร้อนวาจาที่พูดคําชั่วก็เป็นวาจาร้อนกายที่ทํากิจชั่วก็เป็นกายร้อนถ้าทําชั่วทั้งสามทางก็เท่ากับมีไฟสามกองเผาตัวเองและไฟทั้งสามกองนี้ก็จะลุกลามไปเผาผู้อื่นด้วยผู้ที่ถูกไฟถึงสามกองเผาตน ล่นอยู่จะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรเออหน้าฟังท่านพูดหน้าฟังนายโจรกล่าวพางพยักหน้าขึ้นลงแสดงว่าเห็นด้วยก็แล้วคําว่าสมณะเล่าหมายความว่าอย่างไรดูก่อนนายโจรสมณะก็แปลว่าผู้สงบเพราะดับไฟแห่งความชั่วทางกายทางวาจาทางใจลงเสียได้จึงเป็นผู้สงบ ระงับยเยือกเยน็นมีศัตรธอันวางแล้วไม่ก่อกรรมทําเวรกับใครๆแม้ด้วยความคิดเป็นผู้สิ้นพยศแล้วเหมือนเสือที่ถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วอืมน่าฟังมากท่านสมณนะแล้วคําว่าภิกษุเราหมายความว่ายอย่างไรคําว่าภิกษุก็มีความหมายสองไ ny ะไ n ยะแรกก็มีความหมาย ว่าเป็นผู้เห็นภัยในย่าที่สองก็หมายความว่าเป็นผู้พลิกขาจารนอ้าวก็ไหนเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ไม่มีภัยเหมือนเสือที่เขาถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วบัตรนี้ท่านกลับมาพูดว่าท่านเป็นผู้เห็นภัยจะไม่ขัดกันดอกหรือนาโจนแยง้งไม่ขัดกันดอกท่านนายโจนภัยในที่นี้เราหมายความถึง ภัยของโลกโลกนี้เต็มไปด้วยภัยอันน่าสะพึงกลัวหลายอย่างแต่คนส่วนมากมองไม่ค่อยจะเห็นจึงติดอยู่ในโลกนี้ในที่สุดก็ต้องตายเพราะภัยทุกครั้งภัยดังว่านี้ก็คือชาติภัยคือความเกิดเพราะเราเกิดเราจึงต้องประสบภัยอื่นๆความเกิดจึงเป็นต้นตอของภัยทั้งหลายฉลาภัย ภัยคือความแก่เราทุกคนกำลังเผชิญกับภัยอันใหญ่นี้เราแก่ชราข่ําคล้าลงทุกลมหายใจเข้าออกพยาธิภัยภัยคือความเจ็บสังขารร่างกายของคนเราเต็มไปด้วยโรคนาน า, น า, นานชนิดแม้จะไม่มีโรคเบียดเบียนมันก็เจ็บด้วยตัวของมันเองถ้าท่านนั่งนานเกินไปท่านก็จะเจ็บยืนนานเกินไปก็เจ็บ เดินนานเกินไปก็เจ็บท่านต้องเปลี่ยนอิริยบทวันละห ล, หลายครั้งเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆมรณะภัยคือความตายนั่นเป็นภัยประการสุดท้ายที่สัตว์ปั้นพลึงวันหนึ่งหนึ่งคือ9ก้าหนึ่งของชีวิตวันหนึ่งผ่านไปเราก็เดินใกล้ความตายเข้าไปก้าหนึ่งเพราะว่าชีวิตนี้คือการเดินทางไปสู่ความตาย เราเห็นภัยเหล่านี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยดูก่อนนายโจรภิกษุที่แปลว่าผู้พิคขาจานนั้นหมายถึงอุบายวิธีเลี้ยงชีพของเราเราใช้บาทนี้เป็นผาชนะคู่มือเที่ยวเดินรับอาหารจากชาวบ้านเลี้ยงชีพเอ๊ะถ้ายอย่างนั้นท่านก็เป็นขอทานละสินายโจรสอดขึ้นถูกแล้ว ดูเหมือนเราจะเป็นขอทานแต่ว่าการขอทานของเรานั้นแปลกไปจากการขอทานของคนเหล่าอื่นในบุพพันธะสมัยเราอุ้มบาตรเดินเข้าไปในหมู่บ้านด้วยอาการอันสารวมชาวบ้านเห็นเข้าเขาทราบว่าเราต้องการพิษาก็นาเอาก้อนข้าวและอาหารวัตถุอื่นๆใส่ลงในบาตรโดยที่เราไม่ได้ออกปากขอเลย เมื่อได้อาหารพอสมควรแล้วเราก็ออกจากหมู่บ้านไปนั่งฉันณัดที่ใดที่หนึ่งบางวันเราก็ไม่ได้อาหารเลยถึงกระ น, นั้นก็ยอมทนหิวเราไม่ขอยอมรบกวนชาวบ้านเลยเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเดือดร้อนหรือลาคาญเพราะอาชีพของเราไม่มีใครยากจนลงเพราะการให้บิณฑบาตแก่เราชาวบ้าน ย่อมรู้จักประมาณของเขาดีถ้าเขาเห็นว่าการให้ทานจะต้องทําให้เขาอดตายแล้วเขาก็จะไม่ให้เป็นอันขาดไม่มีใครต้องเสียชีวิตเลือกเนื้อหรือแม้แต่น้ำตาเพราะอาชีพของเราไม่มีใครต้องอบสั่นขวัญหายเพราะการปรากฏกายหรือปรากฏตัวของเราดังนั้นอาชีพของเราจึงเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ เมื่อได้ฟังถ้อยคำอันมีเหตุผลของท่านสมณะรูปนั้นแล้วโจรทั้งปวง ก็เกิดความเลื่อมใสเขาทั้งหลายเริ่มมองเห็นแสงสว่างแห่งความผิดชอบบ้างแล้วเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าโจรถึงกับนั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานไม่มีใครต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อหรือแม้แต่น้งตาเพราะอาชีพของเราไม่มีใครต้องอกสั่นขวัญหายเพราะการปรากฏตัวของเราคำพูดเหล่านี้ ยังก้องอยู่ในโสตประสาทของเขามันเตือนให้เขาหวนระลึกถึงอาชีพโจรของเขาดูมันจางแตกต่างกับอาชีพของสมณนะรูปนั้นเสีย จ, จริงๆแตกต่างกันชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเสียทีเดียว ท่านผู้เป็นหัวหน้าบัดนี้ได้เลิกที่เราจะต้องประกอบพิธีสังเวยแก่เจ้าแม่แล้วโจรผู้ประกอบพิธีได้กล่าวเตือนขึ้นทำให้ในายโจรตื่นจากพวังแห่งความคิดเขาหันไปมองดูรูปเจ้าแม่กาลีที่กำลังยืนแยกเขี้ยวในตาถลนอยู่บนแท่นคล้ายกับจะร้องสำทับนายโจรว่าเมื่อไหร่เองจะเอาเลือดของมนุษย์ มาให้ฆ่าบริโภคเสียทีเขาไม่อยากจะฆ่าสมณะผู้พูดหน้าฟังผู้นี้บูชาแก่เจ้าแม่เลยแต่เมื่อหวนมาคิดถึงคำบนบาลที่เขาได้ให้ไว้แก่เจ้าแม่แล้วก็รู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเขาหันไปทางพิกษุผู้เป็นเฉลยแล้วกล่าวขึ้นว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภยัยข้าพระเจ้าเสียใจที่จะต้องฆ่าท่านเสีย เพื่อเอาเลือดในคอของท่านสังเวยแก่เจ้าแม่เพราะเราประสบผลสําเร็จในการปล้นครั้งใหญ่นี้ก็เพราะอาศัยอํานาจของเจ้าแม่โปรดอภัยให้แก่เราด้วยดูก่อนนายโจรเราสงสัยในถ้อยคําของท่านที่พูดว่าท่านประสบผลสําเร็จในการปล้นเพราะอาศัยเจ้าแม่หมายความว่าเจ้าแม่ที่กําลังยืนอยู่นี้ได้ถืออาวุธ ไปร่วมเข็นข้าพ่อค้าแย่งทรัพย์สมบัติมาพร้อมกับท่านกระนั้นลึกพระภิกษุถามนายโจรก็ตอบว่าก็มิได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกเจ้าแม่มิได้ไปร่วมต้นกับเราหรอกพระภิกษุก็พูดต่อไปว่าหรือว่าเวลาท่านยกพวกไปถึงหมู่เปลี่ยนของพ่อค้าแล้วยืนดูอยู่เฉย แล้วเจ้าแม่ก็โดนบันดาลให้พวกพ่อค้านำสินค้ามามอบให้กับท่านแต่โดยดีแล้วก็พากันล้มตายหนีไปเองโดยที่ท่านมิได้ลงมือต้อนด้วยก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกข้าพระเจ้าจะต้องยกพวกเข้าประหัตประหารกับพวกพ่อค้าแล้วก็แย่งชิงเอาสุบัติของเขามาด้วยด้วยความลาบากยากเย็นสมณะรูปนั้นก็พูดต่อไปอีกว่าถ้าอย่างนั้น เป็นการสมเหตุสมผลแล้วลือที่ท่านกล่าวว่าได้ประสบผลสําเร็จในการปล้นเพราะอาศัยเจ้าแม่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าผลสําเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยท่านและบริวารของท่านเองถ้าท่านไม่ลงมือทำเองแม้จะอ้อนวอนเจ้าแม่อย่างไรอย่างไรก็คงจะไม่มีวันได้รับผลสําเร็จเพราะเจ้าแม่ไม่รู้ และไม่ทำอะไรให้แกใครดังที่ท่านก็ได้ทราบอยู่แล้วฉะนั้นการที่ท่านจะฆ่าเราเพื่อบูชาแก่เจ้าแม่เราเห็นว่าจะเป็นการให้รางวัลอันมีค่าสูงยิ่งแกผู้ที่มีได้ทำอะไรเลยจิตใจของนายโจรได้หันเข้าสู่คันลองของเหตุผลอีกครั้งหนึ่งเขาหันไปดูเจ้าแม่ด้วยศรัทธาอันเริ่มคลอนแคลน แต่ก็ยังมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงระหว่างความเชื่อถือเดิมกับเหตุผล